หรือคําไม่ได้มาประพฤติปฏิบัติอย่าไปใส่เข้าเหล่านั้นเลยแม้กระทั่งโยมทั้งหลายที่มานั่งอยู่ที่นี่บางคนยังไม่เชื่ออีหลีบ่ผู้ตาย ด้วยเหตุนี้แหละอาตมาจึงก็ต้อง ต้นใครเข้าไปตัดก็ตายนี่แหละก่อนเนี่ยใครๆเนี่ยพระเนตรขี้ เสรีอัตมาก็ปล่อยวาโยมพ่ออาตมาชื่อในเนี่ยหลวงปู่ชาทรมานว่าทางด้านที่ๆไปนอนเบิง ไปไป 5:00 แรงคือแล้วบาดอาบน้ําแล้วตากผักเข้ามาไว้ก็ย่างจมก่มแล้วบาดนี่ผู้โท แล้วก็ลองแท้ที่ระหว่างแล้วก็ตากใหม่แล้วก็อ่า 2 ประตูกับประตูทึบหรอกหน้าต่างกับช่องน้อยๆติ๊กนี่น่ะมันอึดมันยากประตูปิดเข้าไปก็กอนนี่ก็ซ้ำแขนนี่งัด ย่างพ่ออาตมาก็ว่าห้วยแม่นผู้ใด๋มาเอิ้นเสียงแนวนี้ก็คือบ่เคยได้ยินน้า พรรคตู้ละเปิดอื้อแหมต้องมาซื่อๆ นั่งคนละหม่องบัดนี้นั่งไปนั่งมาบ่พอ 20 นาทีดึงคอเสื้อขึ้นอีดีนี่บัดนี้หวยยายสะดึงสิมารบกวนผู้นั่งสมาธิบ่ <laughs> เมื่อออกมาได้ย่างออกมาหน้าวัดปะพงแล่นนําก้นตับตับตับตับมาเสียงเฒ่าเหลียวไปเส้นก็บ่โอ้ขอบใจเด้อที่มาส่งเมื่อเอง <laughs> หลวงปู่มันก็เฮ็ดมาก่อนแล้วหลวงปู่สงก็เฮ็ดมาก็ยังบ่บาดเพิ่นก็สอนพ่ออาตมาติมาวันหินแตกมานําเน้นตอนนั้นเน้นองค์นึง พอถิ่นย่างบ้านนี้ย่างมาบ้านหินแตกย่างมาพ่อห่างมาวันว่างอยู่บ่มันว่างแล้ว หาละพายหว่าถ่าไว้ยางสุดแห่ไผหวานมากเห็นกูตีข้างหน้าวัดข้างเราก็เข้าพักพุ่นน่ะมาหลวงมะพ่อ คำว่าแล้วเข้าไปนอนแล้วบาดนี้เอาไปเสียงนอนๆเลิกเพิ่นๆพุทธิอันหม่องเขา หมึกโรยกายแหลวพละไปเจอได้คือว่านอนให้เราพละโอ้ยยุงเพิ่นอยากนอนก็เลยให้เพิ่นนอน คือพอเข้ามาไปเอาสาดไปนั่นปัดปบโอ้ยยุงบ่กัด กรรมีเหล่านั้นตะมาหลวงปู่ศาสทรมานบัดนี้พาย่างนั่นมาปลายมาไปไถ่หวาน น้ำทำแต่งแต่เหล้าเหล้าก็เลยว่าห้วยพอฮู้ได้เพิ่นบ่บอกตัวเบอร์อั่นเพิ่นบ่จักหรอกพ่อใหญ่ฮู้อยู่บ่พ่อจักสิสิเล่นแน่นําเบอร์ มักอันนี้รถเดียวเบิ่งพ่ออาตมานกก็นึ่งก่มๆกระสุนรถไปซื้อถิ่มรถคือซ่ำมื้ออื่น สั่นไส้สั่นมั่นเด้ออย่ามาเอานํากันเด้อเพิ่นว่ากันไผกันมั่นเพิ่นว่าว่าๆน้ําอยู่กาดเทลงให้เบิดเด้อเทที่เหมือนเบิดเด้อเพิ่นว่าแล้วห้วยไส้ Pai nhan ka nham ka the tím bất lha bómi nham a nhan bứt bứt bứt pa Pa jih sikiro bai nha Kek! Rui! Nam the bóda bọc Bọc the kwa the tuk hanoi bó Bọc nhan bó bò the bó Lào ka nhan yi tử the rơ bó bá Ka nhan yi the yi tnok bó bó Ka ká nguay nii leo pa ka tup lãng tup lột โอ้เพิ่นว่ายังแล้วเพิ่นว่าอย่าเทแล้วว่าซะเทบ่จอกจอกๆๆๆๆๆ โดยเห็นความบ่เที่ยงบ่ได้เที่ยงพุ่นน่ะน้ํากินลงไปดีๆนั่นเหี่ยวออกมามันว่าแอะไปกินมันก็ว่าแสบอยู่ได๋พุ่นว่าม่มดว้าอุติราพุ่นว่าแต่ว่าคนโบราณว่าตกตกกกไม้นี่ก็ให้กินเหี่ยวแลตกเหือนจังสิกินเหี่ยวแล เจ้าอาพระนี่เพิ่นมาเห็นบอกเพิ่นบอกก้อนที่บวชนั้นกรณีๆอะ ไปปิสบาตจังสิย่างนําพันหน้าเขาก็บ่ได้เอาน้ําไปว่างๆๆๆเอาไปใหม่ปุกย่างเน่น <c oughs> ไปเจอไร้ประจัญไร้เนี่ยมันบ่งามดอกอีแนวว่าสนปั๊วะอีบ่ทันหาบุคคงได้ย่างป๊อปๆๆเวียดนาม อันนี้ขนาดบ่คันเดบอดนี่มาเอิกคนบังติมานนกเน่นๆไปเบิ่งเด้อติราหันบอกติบอกน้องเบื่อเอาบักส้มอมาล้าง <c oughs> พอเส้นไห้หลวงปู่ซาก็เงี่ยวใส่คู่มือคู่มือดิเราสัญญารองในน้ําหมดเหล่าหือคนบ่ทันสมัยบ่ได้กินดอกบ่ได้บุญบ่มีบุญกันนี่เราบ่ยามป่วยมาก็บาดนี้ก็องค์ใด๋ก็ป่วยน่ะก็เครือ <laughs> Ba is there first? Or is there a gibtment there a little bit even in Tawai. The inputs theционers on that may, from the course right, from the reincarnation mass zag dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam แต่ว่าหลวงพูชาเพิ่นกินเหี่ยวนั่นที่เพิ่นก็เว้าให้พวกเจียง ฟุ้งกระทิ่มโลดแม่นบ่ล่ะบ่เชื่อก็ลองๆอยู่เดี๋ยวนี้เอ้าแบ่ง ไคนบ่ไหม่นตัวบ่ล่ะตัวยังหน้าตาเสยอีดีแท้มันไปแต่เสือมันอยู่บ่ล่ะคนว่าตั้งบ่ไปแต่เสือได้ยังว่าซั่นเอาซ่ําแม่บ่ซั่นหลวงปู่ซาไปกึ๋นดึ๊ดๆดาพั่นน่ะเอา พ่อใหญ่เจี้ยงกระตกแก้วย่าจองของจองใส่คือกันแล้วบาดนี้พ่อใหญ่เจี้ยงกินเข้าไปกันหน้าหญิงว่าแม่หน้าแม่โสดได้มั้ยแต่ละ ย้อนพ่อย้อนหลวงพ่อเลี่ยมคอบอกแนวทางหลวงปู่ท่าเพิ่นเฮ็ดเบิดพอจะไปบิณฑบาตปั๊บเบิ่งนี่เพิ่นไปนํากันน่ะพอจะภาย <c oughs> <c oughs> อาตมาได้ยินพ่อเว้าแนวนี้ปรับหวยมันดอดไก่กันเจ้าเฮาบ่โลซางเฮาหยังซะสุดเด้อได้ล้นบาด แม่นบ่ล่ะพอได้ถือสะมังเข้าเหลือบ่น้อแล้วพอข้ามฝันสัก 2 หน่วยก็สิไข่ยอดพอได้หย่ําแน่อันผู้เฒ่า ปะติเสยะตะละให้ผู้เฒ่าก็บ่ได้เด้ปานนั้นก็ว่ามาปฏิบัติธรรมหึจิตปิตะชังจิตตะแสตีเอาคือหยังปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติจังซี่ละทานความโกรธปะหานความโกรธ บ่ไปว่ากูไปแซ่่งเขาโอ้ยเพิ่นทรมานทรกรรมเจ้า <laughs> น่ะสงปู่ทรัม่านจังซี่ผีกระหลอกจังซี่ว่าซั่นตายเป็นผีแห่งยากได้พระพุทธเจ้าว่าบ่ได้ อาตมาก็บอกให้ฟังจังซี่แล้วขนาดถ้าฮวงจีบ่อนึงเกิดเป็นตัวเม้นเอาบ่ขีแล้วอาจารย์ซะโผก็ไปนิพพานดลลืมซ่ําบ่เริ่มคิดพ่อบ่เพิ่นห่วงหลานเอ้าจะห่วงหลานบ่ห่วงหลานถือซ้ําอ่างก็ยัง เจ้าล่าได้ซ่ําไหนเนี่ยก็เบิ่งจังสิตีล่ะมื้อโอ้ยเบิดแล้วน้อเบิ่งแต่แค่นี้เป็นหยังเอาสายซื่อๆ นี่เราปฏิบัติบ่ได้หยังได้แต่ขนมอ่าเดี๋ยวบังติละหลวงพูชาเพิ่นว่านั่นเอาสาธุเด้ออย่าให้บ่ได้หยังเด้อเพิ่นว่าเกี้ยงเอ้ยปฏิบัตินี่เด้อ นั่นละทําความเพียรบ่มันนั่งหลับตาคือคือเด้บ่แม่นว่าสินี่ทุกกิริยา เพิ่นว่าสมาธิหัวต่อตัวอะตะสมุปกัญญ์เสร็จอยู่ดิสมาธิที่เร็ว เขาบ่ได้รู้จังซั่นติรู้คือคือจังว่าพุทโธพุทโธรู้พุทโธบักยุ ตอนนั้นคือฐานแนวกินบาดนี้มื้ออื่นจะเอาหยังน้อปิ้งปลาสิมีบ่น้ออยู่แม่นหรือบ่แม่นเนาะเจ้ามาสอนทั้งญาติทั้ง บ่าวมันบ่เชื่อมันฟังมันโซกันถูกว่าบ่าวเรื่องผีมันหูซั่นพิกนี่นักเรียน ยกมือดูซิมาเรียนวิชาครูนี่ลูกชาวนาเท่าไหร่ลูกข้าราชการเท่าไหร่ยกมือลูกชาวนา พ่อแม่นี่สิดีใจที่สุดก็คือประกาศสิริยบัติติดความสําเร็จของลูกพอบ่ได้หวังหยังแม่บ่ เงินราคาเท่าไหร่พี่ราคา 2 แขน 3 ล้านก็ยังหูจักเว้าอยู่นั่นราคาทั้งบ้านทั้งนั้นเป็ดโตเจ้านั่นราคาเท่าไหร่ หาลูกเจ้าซิมโพนี่แหละสิเอาราคาจักล้านเด้นี่ 100 ล้านแม่สิขายบ่ 1,000 ล้านแม่สิขายบ่บ่ลูกขนอยบ่ เจ้ายังโหว่าแม่เจ้ายากค่ำใด๋แล้วทุกข์ซ่ำใด๋แม่เบิ่งได้เป็นหยังมัดแค่ท้องถามว่าเฮ็ดหยังล่ะลูกมามัดเบิ่งเด้อ 3 กี้ก็ขี้น้ำนอนก็นอนน้ำนะเฮ็ดเบิ่งจัก 9 มื้อแล้วมันทุกข์ซำใด๋ครับเธอแม่สิเป็นออกเอา โอ้ยขี้บ่ออกแล้วลูกแม่แพงแผงแม่แล่ตรัสตรัสชดหมอใส่ลูกขน้อยแหนช่วยลูกแหนสิตายแล้วชักบ่บับเข้าแม่นี้บ่ให้พ่อแค่นี้บ่ฮะบ่สนราง แต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดเดี๋ยวนี้เป็นผ้าอันนึงก็สิคืออาจารย์พวงจันทร์นี่ก็เอาผู้ พอว่าเด็กน้อยน่ะกําลังดิบ่หาผู้เฒ่าตายเบิดเฮ็ดจังได๋ล่ะไผสิมาซืบน้อแม่นบ่ล่ะสิว่าซะคือหยังเจ้ามาเด็กน้อยมาบวชว่าตานี่อาตมาไปอยู่ มันล่อยกว่าสาขานี่บ่ฮอด 80 สาขาหรอกตายก่อนไว้ซั่นจังได๋จังได๋ไปอยู่วัดป่าสน เขาย่ำเข้าไปปอบไปอยู่ฮวมกันเบิดอยู่บ้านศูนย์แขวยหั่นหลวงปู่ซาก็บอกว่า ปัญจรสแข่ก็มีไผอยากไปอยู่หรอกมันมีแต่แก่งหน่อไม้ เบิ่งติฮ้อนเบิดจังนั้นมามาก็ช่างบวชเข้ามา <se> <se cues in corps> เอาจะอยู่พุ่นจังสิ 5-6 มื้อจะว่าเก่งนี่เอาเพิ่นผู้ใดอาหารขนอยมีบ่มีบ่ขนอยละถิ่มมันเบิดละขนอยขออยู่นําเด้อเด้อโอ้ยอาจารย์ต้องย่านปกติใจตัวอย่าว่าแต่ แล้วหมองเกิดเจ้าทั้งสิ้นเบิดติเจ้าว่าหลวงอาจารย์ทั้งจั่นเพิ่นอยู่เพิ่นเฮ็ดเพิ่นทำนั่นเห็นอ่าด้วยความอดกั้นของเพิ่นฮ้อน เมื่ออยู่บ้านอำจักตบอยู่ Holy community Azerbaijan Remember to go to the suspended place and Allison Thinking about micro", Vegan Azerbaijan Chase吗? 从来 flexibility to the paradise Hey!Е publicityNO. homeland, filming Mu Shah. Those people care to ask me about you. Special. The meer spaghetti being aath numbered with some Startland because the will be more钱, เอจิไปหายขอหลายกันตัวเฒ่าแล้วก็หยุดสงบๆมาฝึกอยู่ป่านนี้นั่งเรียบร้อย นี่อีพ่อจักอีหลายเนาะ